2. ทุติยไนยสองสังคหิเตนะอสังคหิตะปะทะนิเทศ171สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันแต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและท่ากับจักขายตนะโพธพาายตนะจักขุท่าโพธพาท่า สภาวธรรมเหล่าน hmm? so ั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแปดหสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันแต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคารวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะ1ิและธาตุสิบสอสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับจักขุนสีโสตินสี่ ทานินรีชิวหินสีกายินสีอิทินสีปุริสินสีสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะสองและาธาตุแ174สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและาธาตุกับอสัญญาพ เอกวการพบสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่อายตนะสามและธาตุเก้าสสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับปริเทวะสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะสอและธาตุแปดหนึ่งสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่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 สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่กระทบได้สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะ1ิและธาตุสิ รวมบทธรรมในทุติยนาย42บทอายตนะสิบธาตุสิอินสียเจอสัญญาภพหนึ่งเอกโวการะภพหนึ่งปริเทวะหนึ่งสนิทัตสนาสัพปติคะหนึ่งอานิทัตสนาสัพปติคะหนึ่งสนิทัตสนหนึ่งสัพปติคะหนึ่งอุปาทายรูปหนึ่ง สังคหิเตเณอสังคหิตะปทนิเทศที่สองจบ 3. ตติยไนย 3. อสังคหิเตเณรสังคหิตะปทนิเทศ1นึสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันแต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาต กับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะ์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอาญตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งหนึสภาวธรรมเหล่าใด สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันแต่ it it สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับนิโรธาสัตย์สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์ี่อายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งหน่สสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันแต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับชีวิตินสี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 โทมานตินสีอุเปกินสีสัตทินรีวิริยินรีสติินรีสมาธินรียปัญญินสีอนัญญาตัญญสสามีตินรียอัญญินรียอัญญาตาวินรียอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยหัสถะที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัย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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันแต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นนัยตนณะและาธาตุกับโศกะทุกข์โทมนัสอุปายะสัสติปัฐานสมปทานอัปปมัญญาอินทรีห้าภะละหโพชฌงเจ็อริยมัมีองค์8ผัสธะเวทนาสัญญาเจตนาอธิมโมกมนัสิการ สภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง 185. สสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขัน แตสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งหนึสสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์ แต่สงเคราะ์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมพยุย์ด้วยอาสวะสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสมาอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง หนึสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เข้าเป็นนัยตนาและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นขันธ์สภาวธรรมที่เป็นโนคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรสภาวธรรมที่เป็นปรามา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 S.> สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว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 สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งรวมบทธรรมในตติยไนเก้าสิบบทขันธ์สสัจจะสาม อินทีสิบหกปัจจิาการสิบบทต่อจากปัจจิาการอีก14บทในโคตจตชะกส10หมวดนับได้3าบทจากจูรันตระทุกกะสองบทจากมหันตระทุกกะ8บทอสังคหิเตเณสังขิหิตะปัททนิเทศที่สจบ สี่จตุทนาย ส, สังคหิเตนะสังคหิตะปทานิเทศ191สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและาธาตุกับสมุทญาจัดมัคคสัตสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและาธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้น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 ส, สัตทินรีวิริยินรีสติินรียสมาทินสีปัญญรียอนัญญาตัญยัตสามีตินรีอัญญรีอยอัญญาตาวินทรียสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและาธาตุกับอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยผัสสะที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัย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 อปปามัญญาอินรีห้าพละหโพชงเจตอริยมัคมีองแป8ผัสสะเจตนาอธิโมคมนสสิการสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ ด, ด้วยเหตุสภาวธรรมที่เป็นนาสวะ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 สัจจะสองอินรีสิปฏิจจสมุปบาท11ต่อจากปฏิจจสมุปบาทอีก11บทในโคจัตชกะอีก30บทสังคหิเตนะสังคหิตะปทานิเทศที่4จบ 5. ปัญจมณีห 5. าอสังคหิเตนะอสังคหิตะปทานิเทศ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 อายตนะหนึ стати, Savior, primero, ่งและธาตุเจ็ดหนึสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสอง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 กับสภาวธรธรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะ1ิ 17, และาธาตุสิบเอ็ดหนสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับจักรขายตนะโพธพายตนะจักขุดธาตุโพธพาธาตุสภาวธรรมเหล่าใด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 สุขินสีทุกขินสีโสมนัสจินสีโทมณัสจินสีอุเปกินสีสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีอนัญญาตัญญสามีตินสีอัญยินสีอัญญาตาวินสีอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใด สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและาธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขั น, 2, นธ์สองอายตนะ1ิและธาตุสิบเจสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและาธาตุกับวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัย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 กับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดสองร้อยสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับปริเทวะสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการรงคราะหเป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้น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 สงเคราะห์เขาไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสภาวธรรมที่เป็นวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร สภาวธรรมที from from from holiday, from wild, ่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลสภาวธรรมที่เป็นมหคัตสภาวธรรมที่เป็นอัปปามะนะสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมหคัตเป็นอารมณ์ สภาวธรรมที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมชั้นประนีตสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดี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 อายตนะสิบเอและธาตุ1ิเจสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่มีเหตุสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยเหตุสภาวธรรมที่มีดดเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ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 สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ deux, ขเข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะ1ิและธาตุสิบเจสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันขอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ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 สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สองอายตนะ1และธาตุสิบสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อา ย, ยาตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยปรามาตสภาวธรรมที่วิ ป, ปยุตจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต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 อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุทธจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีวิตกสภาวธรรมที่มีวิจารสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สวรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่ถวรคตด้วยสุข สภาวธรรมที่ถวรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่นับเรื่องในวัฏจัตุทุกสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏจัตุทุกสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า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 ปัญจมนัยยี่สิบสองบทรูปหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งอิทธินีหนึ่งปุริสินีหนึ่งชีวิตินีหนึ่งนามรูปหนึ่งพสองอสัญญีพบและเอกวการภพชาติหนึ่งชาราหนึ่งมรณะหนึ่งบทที่เป็นรูปหนึ่ง อนาลัมมณบทหนึ่งโนจิตตบทหนึ่งจิตตวิปยุตตบทหนึ่งจิตตวิสังสัทธบทหนึ่งจิตตสุทธนบทหนึ่งจิตตสหภูมิบทหนึ่งจิตานุปริวัติบทหนึ่งภาหิระบทหนึ่งอุปาทาบทหนึ่งใน22บบทนี้เป็นวิสัยแห่งปุจฉาและวิสัชนา อสังคหิตนะอสังคหิตะปัฏธานิเทศที่ห้าจบ